เรื่องอังกุระเทพบุตรพระศัสดาเมื่อประทับอยู่บนแท่นบรรดุกรรมพลศิลาอาทดาวดิงสเทวโลกแห่งเท้าส ก, กาศเทวราชในพรรษาที่เจ็ดเพื่อโปรโดพุทธมารดาทรงปรารบเทพบุตรชื่ออังกุระได้ยินว่าอินทกาเทพบุตรนั้นยังข้าวทัพพีหนึ่ง ถวายแด่พระอนุรุธทธะเทระบุญของอินทกะนั้นมีผลมากกว่าอังกุระแจกอาหารเป็นทานซึ่งต้องใช้เตาไฟต่อกันประมาณส2องโยธทำสิ้นแล้วถึงหนึ่งมืนปีพระศาสดาทรงตรัสว่าอังกุระชื่อว่าทานการเลือกให้ย่อมควรทานของอินทกะมีผลมากดุดหวานพืชในนาดี แต่ท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงทรงภาสิทธพระคาถาว่านาทั้งหลายมีหญ้าและวัชพืชเป็นโทษหมูสัตว์นี้ก็มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะจึงเป็นของมีผลมากนาทั้งหลายมีหญ้าและวัชพืชเป็นโทษ หมูสัตว์นี้ก็มีตัณหาความอยากเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากตัณหาความอยากจึงเป็นของมีผลมากในการจบเทศนาอังกุระเท พ, พบุตรและอินทกะเท พ, พบุตรก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่เหล่าเทพ ย, ายดาผู้มาประชุมกันแล้วดังนี้แล หมายเหตุผู้อ่านสำหรับท่านที่หลังเลว่าจะทําบุญกับใครดีนั้นในปัจจุบันนี้มีความสะดวกอย่างมากนะครับการที่เราจะรู้ได้จริงว่าผู้ใดมีศีลมีธรรมปฏิบัติดีจริงนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติจนถึงจุดก็จะรู้ได้โดยยากดังนั้นถ้าหากไม่มั่นใจการทําทานในแบบสังฆทานคือวางจิตไว้เป็นของกลางๆงก็คงจะดีที่สุด และปัจจุบันการทำบุญที่เป็นบุญกลางที่สุดนั้นก็คือการเสียภาษีนะครับบุญทุกอย่างอยู่ที่เจตนาหากเราตั้งจิตว่าขอภาษีนี้ของเราไปถือผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นไฟถนนเป็นค่าบารุงวัดโรงพยาบาลต่างๆเท่านี้ก็จะได้บุญมากขึ้นนะครับและเป็นการทำบุญกับคนหกสิบเจ็ดสิบล้านคนทั้งประเทศซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นต้องมีคนดีอยู่แน่นอน สำหรับท่านที่ต้องการทาบุญกับพระเป็นสังฆทานและยังลดหย่อนภาษีได้ก็สามารถสแกน QR วโคดผ่านแอ ป, ปของธนาคารต่างๆนะครับทาบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์มูลนิธิและโรงพยาบาลของรัฐต่างๆเป็นการทาบุญที่ได้ประโยชน์ได้ช่วยเหลือคนในวงกว้างและยังได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันระบบ QR คนั้น จะสามารถตรวจสอบได้และนำไปลดหย่อนภาษีได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้ช่วยทำให้เราได้ทำบุญได้ง่ายขึ้นและทำถึงในวงกว้างได้มากขึ้นยกตัวอย่างที่ผมทำนะครับก็เช่นการสแกนคิวอา e ์โคทำบุญกับโรงพยาบาลส่งทุกวันซึ่งการทำบุญนั้นบางทีไม่จำเป็นต้องทำมากนะครับทำทีละน้อ ย, อยแต่ทำบ่อยๆให้เป็นอาจิ น, นกรรมให้จิตได้รู้สึกได้ทาได้ให้ได้สละทุกวัน หลังทาเสร็จก็อุทิศบุญแผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรให้ทุกภพภูมิให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานและให้เทวดาซึ่งบุญที่เราทำเท่านั้นที่จะช่วยเราได้จริงนะครับดีกว่าการไปอ้อนวอนขอจากเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมกันการทาบุญก่อนและอุทิศให้เทพเทวดาให้วิญญาณทั้งหลายจะมีผลได้มากกว่าการไปติดสินบน ที่บอกว่าถ้าได้สิ่งนั้นจะทำสิ่งนี้ให้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเป็นเทวดามีคนทำบุญให้เราก่อนเราจะอยากช่วยเหลือหรือว่ามีคนมาบอกว่าทำอะไรให้เขาก่อนแล้วเขาจะให้สิ่งตอบแทนไม่ต้องถึงเป็นเทพนะครับถามตัวเราเองเนี่ยว่าแบบไหนที่เราชอบมากกว่าซึ่งในพระสูตรก่อนก็มีตัวอย่างมาแล้วถึงการทาบุญ และยกบุญให้พญาหน้าก่อนแล้วค่อยอธิษฐานสิ่งที่ต้องการจากท่านซึ่งก็ได้สมปรารถนาตามมาโดยง่ายอันนี้จะเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าการบุญบาศสารกล่าวที่เราทำอยู่นะครับอย่างน้อยก็ได้ทำดีแล้วเกิดเป็นบุญแล้วต่อให้ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็ยังได้บุญจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ